أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستقل س ت ح د ى ونعوذ بالله من شرول أنفسنا ومن سيات أعمالنا ما يهده الله فلا م ض ل ل ه وما يدله فلا ه ا د ئ ه فإن أصدق ا ل ح ر ي ث كتاب الله وخير حد حد محمد و ش ر الأمور محرساتها وأن كل محدثة ا ل ب د ا د ك ل ب د ا د ضلاله อามะบะสลัม ah e. ah at ุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบาร์กตุครับพี่น้องที่รักยิ่งครับกลับมาพูดคุยกันในคาเลียนของเราก็คืออถาธิ่บายอัลกุรอานในส่วนของยุสอัมะนะครับเพิ่งวันนี้เราก็ยังคงต่อในส่วนของสรออัลบลดซึ่งก็จะเป็นตอนที่สามนะครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับหลังจากที่เราได้พูดคุยไปแล้วนะครับหลังจากที่เริ่มด้วยกับเอาดบิลามชัยตร์ีมิสซิลรอห์มานูร์รหิมลออุกซิมูบีฮาซัลเบลด ว่า ت ันถ بهذا البلد วาวาลิดีว่ ل มาวลาดแล้วดั้กล ي ่กรออินสันในคับบดอาจอพสับอัลเลย์ยาคดีร์อัล د ยนั่นคือที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วในส่วนของสอนที่ที่ผ่านมาซึ่งพระวรรได้สาบานด้วยกับเมืองแห่งนี้ที่เป็นเมืองแห่งความปลอดภัยนั่นก็คือเมืองคนครมกะและพวพระว่าก็ได้กล่าวนะครับหลังจากที่บอกว่าขอสวดวกับเมืองมะกะ แล้วเจ้านั้นก็เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถหลั่งเลือดได้ในช่วงเวลาที่ได้รับการอนุญาตนี้วาวาริดิววามาวัลัดแล้วก็ขอสาบานเกี่ยกับทุกผู้ให้กำเนิดแล้วก็ทุกผู้ที่ถูกให้กำเนิดมาแล้วก็เดคอร์ลั ก, อ, ลกอินเซอนฟีกะบัดแน่นอนมนุษย์นั้นถูกสร้างมาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก อ, อายาซาบุอะลรยักษดีรออะไรฮิอหัดเขาคิดหรือว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรเขาได้แก่นั้นหรือ อยกูลูอาลักตูมาละลูบาดาพวกเขาพูดกันว่าฉันนั้นได้ใช้จ่ายฉันได้บริโภคสิ่งต่างๆไปอย่างมากมายเหลือเกินครับพี่น้องที่รักยิ่งครับความเดินตอนที่แล้วเราได้พูดไปแล้วนะครับว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นก็มีมนุษย์อยู่ส่วนหนึ่งที่ว่าความสุขของเขาอยู่ที่การที่ได้อวดให้กับคนอื่นได้รับรู้ไม่ใช่อวดแค่ว่าเขามีทรัพย์สินมากขนาดไหนแต่อวดให้รู้ว่าเขาได้เาผาผลาญทรัพย์สินไปมากขนาดไหนแล้ว เป็นธรรมชาติของมนุษย์หลายคนครับแล้วก็หลายท่านอาจจะถูกทดสอบด้วยกับเรื่องนี้ในที่นี้ครับพวกเราก็ได้ถามเขาว่าเขาทำไมอะไรที่ทำให้เขาย่อหยิ่งแสโซขนาดนั้นเขาคิดว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรเขาได้กันนะหรืออย่า ก, กู้ลูอาลักตูมาลูบาดาทำไมเขาถึงได้พูดว่าฉันนั้นได้บริโภคทรัพย์สินยอย่างมากมายเหลือเกิน สิ่งที่ท่านนบีมุลสลลลััอยิมกลัวว่าจะเกิดกับอุมมานี้มากที่สุดท่านนบีมุสลิมบอกว่าสิ่งที่ฉันกลัวว่าจะเกิดกับพวกท่านมากที่สุดนั่นคือชิริกเล็กชิริกเล็กที่ว่ามันจะเข้ามาเหมือนกับมดตัวดำตัวน้อยๆตัวสีดำมืดๆอยู่บนก้อนหินสีดำในเวลาที่มืดสนิทก็คือตอนมันเข้ามานั้นเราไม่มีทางรู้ทําไมท่านนบีมุสลยิมถึงกลัวครับ ชีลิกเล็กนี้ความโอ้อวดนี้เมื่ออยู่ในการงานใดก็ตามการงานนั้นจะกลายเป็นการงานที่พุ่งเอาล้อรังเกียจทันทีนี่คือความน่ากลัวของการอ้อวดอันนี้เราพูดถึงโอ้อวดนะครับยังไม่ได้พูดถึงการโอ้อวดที่ตัวเองนั้นเผาผ่านทรัพย์สินไปมากแค่อ้อวดเฉยๆแค่โอโ้อวดเฉยๆความโอ้อวด น, นี้ไม่ว่าจะอยู่ในการงานใดก็ตามการงานนั้นจะกลายเป็นการงานที่พุ่งเอาล้อรังเกียจทันทีอย่างเช่นคนบางคนอาจจะละหมาดมาอย่างดีตลอดชีวิต แล้วเขาเอาไปอวดเพื่อให้คนอื่นชมนี่นะฉันละหมาดมาตลอดชีวิตไม่เคยขาดในนะั้นนี่ฉันทําดีขนาดนั้นฉันทาดีอย่างนั้นฉันทำดีอย่าง น, น, น, างนี้การงานไม่ว่าจะเป็นการงานที่ดีงามแค่ไหนก็ตามถ้ามีเรื่องของคําว่าโอ้อวดเข้ามาปุ๊บพี่น้องที่รักครับมันกลายเป็นการงานที่พวกล้อรังเกียจทันทีในที่นี้ครับหนักยิ่งไปกว่านั้นครับหนักยิ่งไปกว่านั้นคนบางคนน่ยชอบโอ้อวดนะคนบางคนชอบโอ้อวด ไม่ใช่โอ้อวดในเรื่องดีๆไม่ใช่โอ้วดในเรื่องของการที่เขานั้นใช้จ่ายทรัพย์สินเปียกมากมายแต่โอ้อวดในเรื่องความชั่วร้ายที่เขาทําพี่น้องเคยเจอไหมนะครับคนที่ว่ามีความสุขแั้วถึงเวลาปุ๊บมาเล่าวีรกรรมว่าเขาเคยทําความชั่วร้ายอะไรบ้างเล่าอย่างความรู้สึกที่ว่าเขานั้นมีความสุขแล้วก็อยากให้คนอื่นอิจฉาเขาอย่างบางคนอาจจะบอกเ น, น, นี่ยนะฉันน่ะเป็นนักล่าแต้มฉนันล่าแต้มมาหมดแล้ว ผู้ชาย น, นี่นี่ผ่านฉันมาหมดแล้วหรือบางคนอาจจะบอกผู้หญิงคนนั้นคนนี้บ้านนั้นบ้านนี้ผ่านฉันมาหมดแล้วเอาเรื่องไม่ดีมาพูดแล้วรู้สึกลำพองใจการโอ้อวดความชั่วที่ทำนี้ถือว่าเป็นบาปที่น่าสะพึงกลัวยิ่งกว่าการโอ้อวดไหนๆก็ตาม พอละสุะ์ด้กล่าวในสุนนะฮ์นูรนะครับอายาที่สิบก้านะครับว่าอินนัลลาีนยาฮิบบูณ์อันต์ชีอัลฟาฮิชาตูฟิลลาีนมะนูและฮุมอัดาบุนอาลิมฟิดดุนยาอัลอาคิรอพี่น้องที่รักครับบาปเกือบทุกอย่างนี่ยที่พวกเรารู้ครับพวอละนั้นพวอละทรงรอคอยให้โอกาสพวกเราทุกคนมีโอกาสที่จะได้กับเนื้อกับตัวมีโอกาสที่จะได้เตาบา แต่ถ้าเสียชีวิตแล้วไม่เตาบ้าพวกลอลอสก็รอไปลงโทษทีหลังแต่มีบาปอยู่บางประการที่ว่ามันใหญ่มากๆจนกระทั่งว่าพวกอลอนั้นลงโทษใครก็ตามที่ทำสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ในดุนยาลงโทษเขาตั้งแต่ในดุนยาในย่ที่ผมกล่าวอ่านมาข้างต้นครับพว ก, กล่าวไงครับแน่นอนบรรดาผู้ที่รักคนที่รักชอบบรรดาผู้ที่รักชอบให้มีความชั่วร้ายมีสิ่งชั่วช้าลามก เผยแผ่ไปในกลุ่มบรรดาผู้ที่ศรัทธาคือเจอกับมุสลิมเจอกับคนดีๆก็เอาเรื่องไม่ดีมาเล่าให้ฟังเอาหนังโป๊มาแชร์กันเอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาพูดให้กับกันฟังหรือเอาวีรกรรมที่ไม่ดีของตัวเองมาพูดให้กับกันฟังเอาสิ่งที่ไม่ดีมาให้เกิดในกลุ่มมุสลิมมาจัดคอนเสิร์ตให้มุสลิมฟังซะมาทาอะไรมาที่มันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายอะครับพวกเราบอกว่าแน่นอนบรรดาผู้ที่รักให้มีสิ่งชั่วร้าย แพร่กระจายไปในกลุ่มบรรดาผู้ที่ศรัทธาสำหรับเขานั้นจะได้รับการลงโทษที่เจ็บแสบทั้งดุลย์าแล้วก็อาเครอ่พกเราไม่รออาเครอ้นะครับพวอเราจัดการเขาตั้งแต่ดุลย์ยาเลยนี่คือความน่ากลัวของใครก็ตามที่ทําสิ่งที่ชั่วร้ายและรู้สึกพาวอะครับพาวที่ตัวเองทาสิ่งที่ชั่วร้ายทําสิ่งที่ฮารอมทําสิ่งที่ไม่ดีนี้ได้อย่างบางคนครับมาพูดนะครับว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยอัไรทำดีแล้วพูดว่าทำดีแล้วเนี่ยนะ อะทำดีแล้วเนี่ยงวดที่ผ่านมาเนี่ยฉันถูกเลขสามตัวปะเดี๋ยวไปฉลองกันถูกเลขสามตัวฟังก็รู้ว่ามันคือการพ น, นันการพนันพเพราะล้อเสราร์เช็งแล้วบอกว่าเป็นการงานของชายตอนอยู่ระดับคู่เคียงระดับเดียวกับการดื่มสุราซึ่งการดื่มสุราเป็นแม่ของความชั่วร้ายทั้งปวงถามว่าในมุสลิมมีไหมครับผู้จัดการการพนันมีครับผมถามว่าไม่รู้หรือว่ามันเป็นสิ่งที่ล้อรังเกียจมากแล้วใครก็ตามที่ทําเนี่ยล้อโกรธเกียดมากๆ ว่าเราอาลัมครับว่าเราอาลัมแต่แเราจะพบว่าบางทีเขาก็บอกว่านี่อาจารย์คนนั้นให้เลขเกง่งอาจารย์คนนี้ให้เลขเก่งก็น่าวุฒิบิลลนแล้วน่วุฒุบินแ ล, ล้วอันนี้ก็เอาเรื่องที่ไม่ดีเอาเรื่องที่ฮารอมมาแชร์กันเข้าขายหุกลมคนที่ว่าทำความชั่วอย่างเปิดเผยแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ทำครับพี่น้องครับใน أي ق ك ر ا ا ن شين دعاء ناكم ونالك عاية ناكم و ا ب ن ا ل ن ا س ما ي ؤ ج ب ق و ل ه في الحياة الدنيا و ي ش ِ د الله ع ل ى م ا في قلبي و و ل د ا ل خ ص ا م و إ ذ ا ت و ل ى ص ا ء ف ي ا ل أ ر ض ي ب س د ل ف ي ه ا و ي ه ر ِ ك ا ل ح َ ث ا ل ن ا س ل و ا ل ل ه ل ا ي ح ب ا ل ف س ا د و إ ذ ا ق ي ل َ ل ه ا ل ت ق ِ ل َ ه أ غ ذ ْ ض ا ل ع ز ة ب ا ل إ ث م ف َ ه س ْ ب ُ ه ُ ج َ ه َ ن ا ّ م ُ و َ ب ِ و َ ل َ ب ِ ل س َ م ن ه َ ا د ب نَوْ กลุ่มชนที่โพลล์เตือนเอาไว้โพลล์ทรงเตือนพวกเราทุกคนไว้ครับว่าในหมู่มนุษย์นั้นก็คือในหมู่พวกเราอาจจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมจะใครก็ตามพโพลล์บอกว่าในหมู่มนุษย์นี้มีคนที่ว่าคุณจะประทับใจในคําพูดของเขามีใครนะครับ พอเราบอกว่าในกลุ่มนุษย์เนี่ยจะมีกลุ่มคนที่ว่าคุณจะประทับใจคําพูดของเขาเวลาเขาพูดมันน่าฟังมันฟังดูเป็นเหตุเป็นผลมันฟังแล้วมันดูดีมันฟังแล้วเออมันน่าจะใช่นะเออคนนี้มันดีหน้านับถือหน้าเลื่อมใสอะไรก็ตามแต่พอเราเตือนไว้ก่อนเลยในหมู่มนุษย์เนี่ยจะมีกลุ่มคนที่ว่าคุณประทับใจในคําพูดของเขานะคําพูดที่เกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องในดุนยาเนียครับประทับใจคําพูดของเขาในโลกดุนยา วายูชฮิดุลลอฮ์ฮะอัลามาฟิลกอนบีฮีแล้วเขาก็ยังกล้าด้วยนะเขาก็ยังกล้าสาบานเนี่ยวอลลอฮิ oh เนี่ยฉันทําไปเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยโอ้โ oh, ครงการเนี่ยโปรเจกต์ Project เนี่ยฉันเหนื่อยแทบแตะกว่าที่จะผลักดันมันมาได้เนี่ยผลักดันมันมาได้เอ้ oh, ฉันไม่ได้หวังอะไรหรอกอยากให้มุสลิมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากให้อัลลอฮ์รักฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันคิดอย่างนี้จริงๆพี่น้องว่ามีไหม อ่ะไม่ต้องคิดว่าเป็นใครแต่พวกลอตบอกว่ามีแน่นอนมีตั้งแต่สมัยท่านอับดุลโมสลัสรัมยิ่งแต่ยุคนั้นแล้วแล้วมันก็มีต่อมาเรื่อยๆคนที่ว่าเป็นมุสลิมแต่ว่าตีแล้วเหมือนกับทําตัวให้ตัวเองดูดีว่าฉันนั้นทําดีเพื่ออัลลอฮ์นะอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครหรือว่าเน็บแนมใครไม่ได้ประนามใครทั้งสิ้นแต่นี่คือคำพูดของพวกลอตที่วกลอตเตือนเราว่าเราต้องระวังว่ามีคนประเภทนี้ด้วย ไม่ใช่แค่ระวังว่ามีคนประเภทนี้นะครับแต่ก็คือเราก็ต้องระวังอย่าเผลอไปเป็นคนประเภทนี้ซะเองถ้าทำอะไรดีๆเพื่อ Allah อวดแค่ Allah พอจบพยายามอย่าให้ใครรู้บรรดาตาเบียตาบีบนเวลาคนดีๆในอดีตครับหลายคนลุกมาละหมาดตะหัตยุดธนี่ไม่มีใครรู้เลยบางคนลุกมาทำความดียา ม, ามค่าคืนไม่มีใครรู้เลยเขาเสียชีวิตแล้วถึงจะรู้บรรดาคนทาความดีนะครับเขาบอกว่าไงครับ มีคำพูดที่เขาบอกว่าคุณจงปกปิดความดีที่คุณทําเหมือนกับที่คุณพยายามปกปิดความชั่วที่คุณทําไม่อยากให้ใครรู้เขาบอกว่าต้องให้อยู่ระดับเดียวกันเลยคือเวลาเราทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งเลวร้ายเราไม่อยากให้ใครรู้ใช่ไหมครับการทําความดีต้องให้อยู่ในระดับนั้นถามว่าทําไมเพราะความดีที่เราทําเราอยากให้อล ร, รักถ้ามีใครมาเห็นแล้วเข้ามาพูดมาชม บางทีใจเรามันอาจจะแขวะจากตอนแรกเนี่ยเจตนาบริสุทธิ์เจตนาอาจจะไม่บริสุทธิ์ถามว่าเราจะรู้ตัวไหมพี่น้องไม่รู้หรอกพี่น้องไม่ต้องอ้างเลยว่าฉันรู้ตัวสิฉันไม่ได้โอโอวดพี่น้องไม่มีทางรู้ครับผมเองผมก็ไม่มีทางรู้เพราะท่านระเบียวนิสลรรมเตือนว่าชิริกเล็กมันเข้ามาน่ยมันไม่มีทางรู้เลยเจ้าตัวไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเข้ามาเขาอาจจะพูดแล้วก็าอาจจะบอกโอ้นี่ฉันเหียดเพื่ออะแล้วนะฉันพูดเพราะาอยากเป็นอุตาหอนเป็นอะไรก็ตามแต่ระวังให้ดีครับพี่น้อง ความดีที่เราทําพยายามปกปิดนั้นเอาไว้ให้เหมือนกับความชั่วเวลาทําที่เราไม่อยากให้ใครรู้ครับเนี้ยก็หนาญผู้ลัก่าวต่อครับในหมู่มนุษย์นั้นจะมีคนที่ว่าคุณประทับใจในคําพูดของเขาในดุนยาแล้วเขาก็จะยืนยันสาบานต่อผู้ว่าถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาวะฮุอะอาลัดดูละคือซ้อมซึ่งคนประเภทนี้คนใลักษณะผู้ว่าบอกว่าอยากสังเกตไม่อยากอยากสังเกตไม่อยากถ้าอยากรู้ว่าใครที่ว่า พูดเหมือนดีแล้วพูดที่มันฟังแล้วมันลื่นหูนะครับอยากรู้ว่าเขาจริงใจหรือเปล่าเขามีความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าดูว่ามีคุณลักษณะนี้ไหมพวกเราบอกว่าวาาอาเล็ดดูแลคืซอมเขาจะเป็นคนที่ชอบโต้เถียงเป็นชีวิตจิตใจคือจะชอบโต้ใครพูดเลยมานี่คือไม่ได้คือโตโต้โต้โต้โต้โต้โต้อย่างเดียวโต้เพื่อที่จะเอาชนะโต้เพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการกับโต้เพื่อเอาชนะไม่เหมือนกัน แล้วบางทีเราแยกกันยากเพราะบาทีตอนแรกเราเจตนาบริสุทธิ์อีคลัสเพื่ออัลลัสแต่บางทีพอเขาถกมาบางทีเราขึ้นอารมณ์เราขึ้นด้วยการถกไปถกมากับกลายเป็นว่าไม่ใช่เรื่องวิชาการแล้วมันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ว่าอยากจะถกให้เอาชนะอีกฝ่ายให้ได้มุสลิมเวลาเราถกกันนะครับระวังอย่าถกเพื่อเอาชนะแล้วถกเพื่อให้เกิดความถูกต้องถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดคือความถูกต้องครบถ้วนแล้วก็หยุดก็พอแค่นั้น อะไรที่มันเกินความจําเป็นเป็นสิ่งที่อันตรายที่มันมักจะส่งผลที่ไม่ดีกับมหาตัวผู้ศรัทธาเขาพูดแล้เตือนไหมครับว่าว้วอะไรดลคือซอมลักษณะของคนที่แบบว่าพูดจานมันพูดดูดีเหลือเกินแล้วก็ยังกล้ายืนยันสาบานกับอันล้อว่าหัวใจเข้าบริสุทธิ์ให้ดูว่าเขาเนี่ยชอบดื้อหรือเปล่าแบบโต้แบบไม่รู้อะไรคือจะโต้ย่างจะเยังอย่างเดียว وإذا تولى صافل أر يفسد فيها ويهل كالحث والنسل บญญนลักษณะของเขาไม่ใช่มีแค่ชอบโต้เถียงครับไม่ใช่มีแค่ชอบโต้เถียงถึงเวลาเมื่อเขาอยู่บนผืนแผ่นดินถึงเวลาเขาไปทํางานเขาทําธุรกิจเขาทําอะไรก็ตามแต่เขาชอบที่จะสร้างความเสียหายบนผืนแผ่นดินทําอะไรที่มันเป็นการสร้างความเสียหายในที่นี้พวกล้อใช้คําว่าเขาจะทําลายบรรดาพืชพันธุ์ทั้งหลายแล้วเขาก็จะทําลายในเรื่องของเชื้อสายทั้งหลาย ทำลายในพืชพันธุ์เข้าใจเลยก็คือถึงเวลาก็ตัดไม้ทำลายป่าทำอะไรเพื่อความผลประโยชน์ส่ว น, วนตนในเรื่องเชื้อสายก็คือถึงเวลาก็ไปผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาไปทั่วไปทำดีนากับคนนั้นทำดีนากับคนนี้แล้วก็อ้างว่าฉันนั้นเป็นคนดีวั uh ว uh ลลอฮุลียยูฮิบุลฟาซาดพราะมเล่ากล่าวว่าอัลลอนั้นไม่รักเรื่องของการสร้างความเสียหายบนผืนแผ่นดิน وإذا ق ล ل له ا ต ت ق ل คนที่ว่าเป็นมูนาฟิกคนที่ว่ามีคนลักษณะกับกอกพี่น้องระวังให้ดีเวลาเราฟังอะไรพวกเนี่ยเราอย่าไปคิดถึงใครอย่าไปคิดถึงนายเอย่าไปคิดถึงนาย B อย่าไปคิดถึงนายซคิดถึงตัวเราก็พอคิดถึงตัวเราว่าเราเป็นอย่างที่พวกเราตเตือนให้ระวังไหมพยายามตรวจสอบตัวเองอย่าเพิ่งเอาคนอื่นมาคือคนอื่นอะ่ะพวกเราสอบสวนเขาแน่นอนถึงเราคิดยังไงกับเขาถูกหรือคิดยังไงกับเขาผิดมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ สำคัญที่สุดตัวเราเวลาพกอเลอเตือนปุ๊บเวลาในบีเตือนปุ๊บดูตัวเราก่อนเพราะว่าบอกว่าเมื่อมีใครก็ตามบอกกับเขาว่าจงตักวาต่ออัลลอฮ์จงกลัวอัลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยคุณกำลังทำสิ่งที่ไม่ดีทํำไมทําสิ่งที่อยารองทํำไมทําสิ่งชั่วช้าอย่างนี้ตักวาหน่อยกลัวอัลลอฮ์หน่อยอัลลฮุลิสตะตูบิลิสมีเขาก็จะเชิดหน้าเขาจ้ถือว่าโอ้ฉันเป็นคนดีแหะฉันเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยฉัน إ ي م านหมดแล้ว อะไรมาเตือนฉันคิดว่าฉันไม่รู้เลยฉันรู้หมดแล้วถ้าเราเป็นคนประเภทนี้นะ illah, อุซบิลแลขอเราเปิดใจเราขอให้เราได้กลับเนื้อกับตัวแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องไปเจอคนประเภทนี้ก็ขอให้รู้ว่าต้องระวังเขาไว้ต้องระวังเขาไว้เพราะบางทีเราอาจจะได้รับผลกระทบที่ไม่ดีจากเขาก็ได้ ว, ว, ว่าถ้ก า, ากล่าวให้ทักทิ้งพร ل เจ้าอัลลอฮ์จะรู้เรื่องศักดิ์สิทธิ์ของพระามพรนามของพระองค์ที่พระองค์ทรงัระทาหก่เราทุกคนี่เราเว้รัูักัิ์สที่์ของพระนามะามของพระงที่องค์ทรงทาน่เขาทุานี่รา้สึกภูมิใจมารู้สึกดี์สิทธิงพราาอ เ, เ, เพที่งแล้วสําหรับ่เขาทนี่เะาได้รับรูนน้รู้ักรู้ักศัดิ์สนมรกนาอระองค์ที่พระองค์ทรงปนก่เราทุกน่เราไัน ทางไปมันเป็นที่ไปที่เลวร้ายยิ่งมันไม่มีอะไรเลวร้วายกว่าไฟนรกอีกแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับการพูดดีการมีมารยาทที่ดีเป็นคุณลักษณะของผู้ศรัทธาแต่การพูดดีมีมารยาทที่ดีมันก็ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็ต้องสอดคล้องกับกิตาบุญ ล, ละกับสุนนะของท่านนบีมศสละของอัลลอฮ์สุลแลมด้วยทุกอย่างมันต้องแหมกันมีมารยาทนะใจต้องมีความบริสุทธิ์นะ ต้องเป็นรูปแบบที่อลัลลอ์รักขาดอย่างๆๆีอย่างดไม่ได้จะเป็นมารยาทซ้แต่พูดสิ่งที่อลัลลอ์รักก็สอบตกจะมารยาทดีแต่ว่าส่งเสริมบิดอมมันก็สอบตกหรือมารยาทดีพูดดีเอาแบบอย่างดีๆมาสอนแต่ว่าจิตใจสกปกมันก็ไม่ผ่าน3มอย่างมันต้องสอดคล้องกันมันต้องคู่กันไปนะครับผม ครับคุณซาดาสลามานะครับขอมาฟด้วยนะครับไม่ทันได้ตอบนะครับผมว่าอะไรคุณสาดามอบตัวรับวาระกาตูครับภาพเสียงชัดอัลฮัมดุยแล้วครับผมหวังว่าคุณภาพจะดีขึ้นไปนี้ด้วยครับผมคุณยายาทาระเบียบบอกว่าคนหนึ่งจากสารายาพร้อมเรียนดูครับก็วันคุณสาดามอบตัวรับวาระกาตูแล้วก็พี่น้องที่ไม่ได้ทักมานะครับก็ขอเราไม่ตายพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็มีอะไรพูดคุยกันได้นะมีอะไรพิมพ์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูไปลระยะระยะอินชาร์ร้อนนะครับ เรยจะคงอยู่ในส่วนของอายะห์ที่6กเหยากูลูอัฮลักตุมาลลูบะดามนุษย์นั้นเขาจะอวดอ้างว่าฉันนั้นกินทรัพย์สินมาแล้วมากมายฉันบริโภคทรัพย์สินมาแล้วมากมายก็คือเขามีความสุขที่ได้อวดความชั่วหลายที่เขาทําเพราะการบริโภคทรัพย์สินมากมายเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งไม่ดีครับสรุปว่าไม่ดีนะเพราะฟัมายะมัลมิสก็ละดารตินคอยรอยะรอใครทําความดีนิดเดียวโลกหน่าจะได้เห็นใครทําความชั่วนิดเดียวเขาก็จะได้เห็น เพระนั้นคนที่ชอบพูดคนที่ชอบอวดมั่งอวดมีหรืออวดว่าเขาบริโภคอะไรไปบ้างแล้วเป็นแบบใหญ่เข้าข่ายบาปใหญ่เพราะทำไมที่เป็นบาปใหญ่ครับเพราะอย่างที่บอกก็คือการที่เขาทําอย่างนั้นมันเป็นการเผยแผร่ความชั่วให้เกิดขึ้นในกลุ่มสังคมมุสลิมแล้วพื่เราบอกว่าสำหรับเขาคือการลงโทษทั้งดุลยาและอาขยรอบาปไหนก็ตามที่ตัวบทระบุว่าสมควรถูกลงโทษทั้งหมดนั้นคือบาปใหญ่ละ อันนี้คือโดนในดุลยาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับท่านอบับดุลโมสลัยอสลามได้เตือนไวน้นะครับในบันทึกของท่านอบูขอมาครับในรายงานของท่านอบูฮุเรยรอครับบันทึกในหนังสือของอิหม่ามอลัลบุคฮรีแล้วก็ ม, มอมุสลิมท่านอบูฮุเรอรี่อัลลอฮุลลอฮฺได้พูดไ้ครับว่าฉันดีนท่านอัสสลัมได้บอกว่ากุลอุมะตีมุอาฟีอิลลลมุชาฮีรินกุล อุมมะตีทุกคนที่เป็นประชาชนของฉันนั้นพวกเขาปลอดภัยทุกคนที่เป็นประชาชนของฉันนั้นพวกเขาปลอดภัยพวกเขามีโอกาสได้รับความดีงามพวกเขามีโอกาสที่ยวล้อจะให้อภัยพวกเขามีโอกาสเที่ยวล้อจะไม่แต่ต่อให้ไม่ขออภัยโทษก็มีโอกาสที่ยวล้อจะให้อภัยโทษเขาก็ลุอุมมะตีทุกคนในประชาชนของท่านระเบียนมัสรุลลอยสลัมเลย อินลมุชาฮีรีนท่านอบดุลเบียร์สมบอกว่านอกจากหรือว่ายกเว้นคนที่ทําความชั่วอย่างเปิดเผยคือไม่แคร์ว่าใครจะรู้หรือว่าอวดให้คนอื่นรับรู้ด้วยว่าฉันกําลังทําสิ่งนี้ทั้งๆ ท, ที่มันเป็นสิ่งที่ฮารอมที่ขัดกับคําสั่งของลอทั้งๆ ท, ที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ลอตังเกียร وإن من المجاهر أيعمل رجل بالليل عملا ثم يسب وقسط ره الله عليه ف ي و ل يا ف ا ن م ِ تُلبارها كذا و كذا وقد بات يستره ربه و يسبه يكشف س ّ ت ر رأسِتر الله عنه ท่านอบดเบบีวะไซซาอยครับผู้ที่เปิดเผยเนี่ยเขาคือคนที่ว่าในยามค่าคืนเนี่ยเขาทาการงานหนึ่งซึ่งมันเป็นการงานที่มันไม่ดีอะไรก็ตามแต่ที่ทำท่านอบบียกตัวอย่าง คนที่ว่าเปิดเผยเนี่ยคือคนที่แบบในยามค่ําคืนเขาทําสิ่งที่ชั่วร้ายสักอย่างหนึง่งแล้วพวกล้อช่วยปกปิดให้กับเขาในยามค่ําคืนคือไม่ให้ใครมารับรู้เพราะถึงเวลาเราอายใช่ไหมเวลาเราทําความชั่วก็ไม่อยากให้ใครรู้พรวกล้อช่วยปกปิดให้กับเขาในยามค่ําคืนแต่เมื่อเช้ามาเขากลับเอามันไปเป่าประกาศให้คนอื่นรับรู้พวกล้ออุสตสาห์ช่วยปกปิดแล้วแต่ถึงเวลาเขากลับเอาไปเป่าประกาศ ไปบอกว่าเนี่ยรู้ไหมเนี่ยฉันไปทําอันนี้มาเนี่ยฉันไปดูอันนี้มาเนี่ยฉันไปทําอันนี้มาฉันไปเสพอันนี้มาฉันไปดื่มอันนี้มาฉันไปเที่ยวที่ผัาตรงนั้นฉันไปทําในสิ่งนี้เอาไปพูดโพธนาแทนที่ว่าพวกล้อจะให้อภยัยเขาเอาไปเปิดเผยพวกล้อก็ไม่อภยัยเขาก็ไม่รอดเขาก็ไม่ใช่หมออฟีพี่น้องที่รักยิ่งครับท่านนบีมูฮัมมัดสุลัยสลามบอกว่าใครที่ปกปิดเรื่องน่าละอายของพี่น้องของเขา เอาล้อ ah จะปกปิดเรื่องหน้าละอายของเขาให้แก่เขาได้ทั้งดุนยาแล้วก็อาเรโรใครก็ตามปกปิดเรื่องหน้าละอายของพี่น้องของเขาอันนี้คือไม่ใช่เรื่องของพี่น้องต้องเข้าใจนะไม่ใช่เรื่องของการช่วยปกปิดความชั่ว น, นั้นไม่ใช่นะถ้าเป็นสิ่งไม่ดีที่ต้องบอกที่ต้องแจ้งที่ต้องเตือนต้องไปบอกต้องไปแจ้งต้องไปเตือนจะมาช่วยปกปิดไม่ได้เหมือนเพื่อนช่วยกันปกปิดเวลาเพื่อนทําความชั่วอันนั้นไม่ถูกแต่นี่คือเรื่องหน้าละอายครับสมมติใครสักคนอาจจะ ขอมาผมยกตัวอย่างนะถ้าไปตรงใครผมขอมาฟด้วยผมไม่ได้มีเจตนานะาพี่น้องบาท่านอ่ะล่าจะทดสอบก็คือเรื่องของลมลมมันอาจจะออกมาทีคืออยู่อเดี๋ยวก็หายลมอยู่อเดี๋ยวก็หายลมอยู่อเดี๋ยวก็หายลมเราไปรู้จักเขาแล้วรู้เลยว่าอ่าคนเนี่ยชอบหายลมถึงเวลาเราเดินไปกับเขา2คนแล้วเราไปเจอเพื่อนเราแล้วเราไปทักเออเนี่ยมัรู้จักเสียไอ้คนเนี่ยที่มันชอบตดมันตดเยอะเหลือเกินเนี่ยฉันละเหม็นฉันลําคาญมาแล้วเกิน เอามาพูดเป็นเรื่องตลกขบขันคนที่ถูกพาดพิงบางทีหัวเลาะทางน้ำตาคือน้ำตาตกในแต่ก็คือไม่อยากให้เสียบรรยากาศก็ต้องก้ากืนฝืนทนก็ต้องทนไปด้วยอย่างเนี้ยครับเข้าข่ายว่าเปิดเผยความลับของผู้อื่นเปิดเผยเรื่องที่น่าอายของผู้อื่นคนประเภทนี้โลกหนาอลลอจะเปิดเผยเรื่องน่าอายของเขาต่อหน้าคนทั้งโลกเลยอันไหนหน่าอายกว่ากัน อันไหนน่าอายกว่ากันเพราะนั้นพี่น้องถ้าเกิดรู้เรื่องหน้าละอายของใครก็ตามเอาใจเขามาใส่ใจเราเราคงไม่อยากให้เรื่องหน้าละอายของเราถูกเปิดโปงถูกเปิดเผยแล้วก็ถ้ารู้เรื่องหน้าละอายของใครปุ๊บก็อย่าไปเปิดโปงแล้วก็เจตนาดีๆเนี่ยดีๆว่าอย่าล้อฉันจะพยายามปกปิดเรื่องหน้าละอายเรื่องนี้ของเขาโอ้ล้อฉันนั้นมีเรื่องหน้าละอายเยอะแยะเลยเอาล้อช่วยปกปิดเรื่องหน้าละอายของฉันด้วยเพราะผมมั่นใจว่าทุกคนน่าจะมี โดยเพาะคนที่อายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันต้องมีบางช่วงบางโมเมน ต, ต์ของชีวิตที่ว่ามันมีเรื่องน่าลายที่เราทำหรือบางทีตอนเนี้ยเราก็มีเรื่องน่าลายที่เราทำอยู่เพราะนั้นถ้าตัวเราเองก็มีเรื่องน่าละอายเราก็อย่าได้ไปขุดเรื่องน่าลายของคนอื่นเช่นเดียวกับปัจจุบันครับอย่างเรื่องของดาราบางคนบอกดาราเป็นบุคคลสาธารณะ ไปนั่งไปขุดคุยเนี่ยคนนั้นไปทําอะไรไม่ดีมาบ้างคนนี้ไปทําอะไรไม่ดีมาบ้างคนนั้นมันไปทํำซินาคนนี้ไปผิดลูกผิดเมียคนนั้นคนนี้มันไปลักขโมยคนนี้มันไปโกงไปดูเรื่องไม่ดีของเขาแล้วมีความสุขเวลามีใครมาขุดคุยนี่ชอบไปดูเหลือเกินเข้าข่ายเช่นเดียวกันครับผู้ที่ชอบติดตามในเรื่องเลวร้ายเรื่องไม่ดีของผู้อื่นขั้นต่ําสุดก็คือเข้าข่ายอยู่ร่วมกับกลุ่มคนที่ชอบนินทาคนใส่ร้ายซึ่ง มันก็บาปใหญ่แล้วก็น่าสะพึงกลัวเช่นเดียวกันเขาเปนะ็นท่านรบียวพระสัตดเตือนไว้นะครับว่าทุกคนในประชาชนของฉันเนี่ยพระอัลลอฮ์จะให้โอกาสให้ความเมตตาเขามีโอกาสที่เขาจะได้รับการให้อภัยมีโอกาสที่เขาจะได้ดีนอกจากคนที่ว่าทําความชั่วแล้วเปิดเผยคนประเภทนี้พระอัลลอฮ์ไม่ให้เตาบาเขานอกจากว่าเขาจะกลับเนื้อกับตัวขอเตาบาอย่างแท้จริงแล้วละทิ้งพฤติกรรมนั้นอย่างแท้จริงซึ่งตรงกันข้ามกับบุคคลอื่น ถ้าบุคคลอื่นที่ว่าทําความช่วยแล้วไม่เปิดเผยบางทีความช่วยร้ายนั้นเขายังไม่ได้เต่าบาแต่เราอาจจะยกโทษให้เขาก็ได้ซึ่งตัวอย่างเรื่องราวเรื่องเล่ามีมากมายครับผมมีมากมายที่แสดงถึงความเมตตาของพู้รอดละอย่างเช่นเรื่องราวที่ท่านเบียร์มัสเรซัมเล่าให้กับเราฟังมันยังไม่เกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะท่านเบียร์มัสเรซัมไม่พูดอะไรออกมาจากอําเภอใจของท่านแต่มันเป็นวาฮีที่ลเอาละดุลใจมา ท่านระบีมวทศริษัทลมเล่าให้กับพวกเราฟังครับก็คือเล่าให้กับซอบัคซอบัก็มาถ่ายทอดมาเรื่อยๆถึงชายคนหนึ่งที่ว่าถูกพวกลอสอบสวนอยู่ก็คือถึงวันเกียมะมีชายคนหนึ่งครับเป็นใครก็ไม่รู้ว่าเร า, าว่าลำวัวลอาว่าลำอาจจะเป็นผมหรืออาจจะเป็นใครก็แล้ชายคนาเนี่ยเขาชีวิตเขาผ่านมาเยอะแล้วทั้งบาปเล็กทั้งบาปใหญ่ทามาเยอะแล้ว พอเราบอกกับมารีแก้ว่าอ่าตอนนี้สอบสวนใช่ไหมเอาบาปเล็กทั้งหมดมาให้เขาดูให้หมดเลยว่าเขาทําอะไรบ้างเพราะโลกหน้าเราจะถูกทบทวนความจําหมดเลยถูกเตือนความจําหมดเลยว่าเราทําอะไรบ้างเมื่อไหร่เนี่ยตอนอายุสาขวบตอนอายุห้าขวบตอนอายุเจ็ดขวบแปขวบเก้าขวบสิบขวบวันนั้นวันนี้เวลานี้เดือนนี้วินาทีนี้ทําอะไรบ้างไปแอบดูอะไรไปแอบกินอะไรไปแอบฟังอะไรหรืออะไรก็ตามแต่โลกหน้า จะมีการให้ได้เห็นกันหมดเลยว่าทําอะไรบ้างชายคนนี้ครับก็พวกล้อบอกให้มาเลกาว่าให้เขาเห็นเฉพาะบาปเล็กทั้งหมดที่เขาทำมาเลกาก็เอามาให้เขาดูนี่เขาทําอย่างนั้นเขาทําอย่างนี้เขาบกพร่องเรื่องนี้เขาบกพ้องเรื่องนั้นเขาอย่า ง, งนั้นเขานี่ชายคนนั้นก็เครียดครับในนดิเนีบิลชายคนนั้นก็คือใจก็แบบว่ามันก็เหมือนกับตัวหดแล้วหดอีกหดแล้วหก ห, หดอีกว่าโอ้โหเนี่ยตนอนนี้ล้อเนี่ยฉัโดนสอบสวนทำไมความชั่วเยอะ เนี่ยโดนเอามาแต่ละอันนี่คือฉันรู้สึกใจแป้วอันนี้คือบาปใหญ่ยังไม่ได้พูดถึงพูดแค่บาปเล็กหลังจากที่นําเสนอบาปเล็กทั้งหมดที่เขาทํามาในชีวิตผัวล้อผู้ทรงสูงทรงจะบอกกับเขาว่าไงครับทั้งหมดที่เจ้าเห็นเน่ยแค่เปลี่ยนให้มันเป็นความดีหมดเลยมันเป็นความชั่วครับพี่น้องแต่ผัเล้อเปลี่ยนความชั่วทั้งหมดที่ว่ามานั้นให้เป็นความดีหมดเลย พพเพราะเพื่อล้อห้อภัยเขาเพราะเขาขอเตอบาสเพราะล้อ เ, เมตตาเขาชายคนนั้นครับด้วยความดีใจสุดๆไงคือตอนแรกเครียดว่าเมื่อไหร่บาปใหญ่จะถูกนำมาเสนอแค่บาปเล็กนี่ก็เครียดแล้วแต่พอได้ยินว่าบาปเล็กทั้งหมดคั่วล้อยกโทษให้เปลี่ยนให้เป็นความดีอีกตัางหากบาปคนนั้นรีบบอกเลยครับเออฮันละครับยังละผมยังมีบาปใหญ่อีกอีกที่ผมทํานะทําไมไม่เอามานําเสนอด้วยล่ะจะได้เปลี่ยนให้เป็นความดีไปด้วยนี่ก็คือ เปลี่ยนอารมณ์เลยนะครับพลิกอารมณ์เลยแต่ก็คือชายคนนั้นก็คือบาปใหญ่ทั้งหมดที่เขาทำบอลล็อคอย่ครัให้ส่วนบาปเล็กนั้นพวกอลอสเปลี่ยนให้เป็นความดีซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น่าอิจฉาในโลกหน้านะครับผมแล้วก็แสดงเห็นถึงอะไรครับความเมตตาของอลอสที่ท่านรบีบอกว่ามูอาฟินทุกคนในประชาชาตินี้มีโอกาสที่อลอสจะเมตตามีโอกาสที่อลอสจะให้อภัยมีโอกาสที่เขาจะรอดพ้นความกดดิ้วของอลอส น, นอกจากคนที่ทําความชั่วความไม่ดีแล้วไปเปิดเผยให้ใครเห็น เพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมไม่ได้บอกให้พี่น้องทําบาปนะก็เ ข, ข้าใจตรงกันนะผมไม่ได้บอกให้พี่น้องว่าให้ทําบาปให้ทําความชั่วแต่ผมกําลังบอกว่าหากจะทําหากจะทําพยายามอายให้มากแล้วก็พยายามอย่าให้ใครรับรู้ไม่ต้องไปอวดไม่ต้องไปพาวไม่ต้องไปอะไรเพราะถ้ามันเป็นเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์พูลอะไรพูดง่าย พระเจ้าของเราเป็นผู้ที่เมตตาเป็นผู้ที่ใจบุญเป็นผู้ที่ใจดีเป็นผู้ที่พร้อมให้อภัยถ้าเป็นเรื่องระหว่างแค่เรากับอัลลอฮ์เราเคลียร์กันได้แต่ถ้ามีคนอื่นล้วนถึงเวลาโลกหน้าเขางไอ้บอกอัลลอฮ์เนี่ยมันทำความชั่วนั้นใหฉันเห็นมันเป็นแบบให้ฉันทําฉันก็เลยทําด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพัลลอฮลงโทษฉันเนี่ยกับความชั่วนี้ลงโทษมันด้วยพเพราะนั้นเวลาทําสิ่งที่ไม่ดีครับไม่ต้องไปดึงใครให้ทํามันด้วยทํากันลับๆ คนเดียวก็พอไม่ต้องให้ใครรับรู้ถ้าจะทำนั่นแหละยังไงก็ขอเตาบาสซะแล้วก็ย้ําผมไม่ได้บอกให้ทําความชั่วเพราะผมรู้ธรรมชาติของคนมันต้องทําอยู่แล้วอย่างน้อยจากที่เราพูดคุยกันในวันนี้ครับสิ่งไม่ดีที่ทําเนี่ยอย่าไปภูมิใจที่ได้ทําแล้วอย่าได้ไปอวดอย่าได้ไปพูดยกยออะไรให้ใครได้มาอิจฉาเราครับพี่น้องที่รักอินครับผม จะขันอุมารขับบินอับดุล ع ي ز ขับราะยิลลอฮุก้าก่านียุลวอินนัลลอฮตรกะวะะะละลาอัดิบุลอามะบิดามบิลาซา ولكن ا ل م ك ر ش ه ح ق ا ل أ و ب َ ل ه ل م َ م ا م ُัสยิดสุลมครับท่านได้บอกว่าัวลอ้นจะไม่ลงโทษคนทั่วไป ด้วยกับพฤติกรรมของคนส่วนน้อยฮาดิสมิมีหลายสายหรายงานนะครับผมแต่ความหมายโดยรวมก็คือพวกเราจะไม่ลงโทษคนทั้งกลุ่มด้วยกับพฤติกรรมของคนส่วนน้อยนอกจากว่านอกจากว่าคนส่วนน้อยทํามันอย่างเปิดเผยแล้วคนส่วนใหญ่นิ่งเฉยถ้าเมื่อ น, นั้นก็คือทั้งหมด สมควรที่จะโดนกลงโทษทั้งกลุ่มเลยนี่เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเผ่าไหนครับเผ่าสมุทรของนบีซอละกลุ่มชนแค่ทั้งกลุ่มเนี่ยมีคนไม่รู้กี่พันกี่หมื่นคนมี9คนที่เป็นหัวโจกในการฆ่าอูดแต่ชาวเมืองก็ดีใจก็เห็นด้วยก็บอกเออดีเนี่ยฆ่าแล้วก็ดีนะจะได้หมดเรื่องหมดราวไปซะก็คือทั้งหมดเนี่ยเห็นดีเห็นงามจากจุดเริ่มต้นของชายคนเดียว ความชั่วของชายคนเดียวส่งผลให้อีก9คนแล้ว9คนที่ลงมือส่งผลให้ทั้งเมืองถูกลงโทษแหลกยับไปพร้อมๆกันหมดเลยแนวุรุบิแลมินดาเล็กสังคมปัจจุบันเรากำลังนิ่งเฉยกับการเห็นการทําสิ่งที่ฮารอมตอนนี้เรากําลังไปทุ่มให้กับความสนใจให้กับเรื่องอะไรที่มันมันเป็นเรื่องไกลตัวบางทีมันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่เราไปทุ่มให้ความสําคัญกับมันมากในขณะที่บางทีความชั่วร้ายที่มี ต็มบางที่อยู่ต่อหน้าต่อตาบางทีอยู่ในครอบครัวบางทีอยู่ในกลุ่มของที่เราอยู่บางทีเราก็เลือกที่จะมองข้ามซึ่งมันเป็นเรื่องที่อันตรายครับเพราะถึงเวลาถ้าพระลอจะลงโทษก็คือก็โดนกันหมดเลยในเรื่องข้อยมาบุคคลีครับท่านเบีย ร, ร, ร์ัสเซัมได้พูดไว้นะครับว่าอินเนมิมาอัตรคันนัสมินกาลามินนูบูอะติลูล่อินเนมิมาอัตรคันนัสมินกาลามินนูบูอะติลูล่ะอิดะลัมเตสต์ฮิฟัสนัอหมาชิตา ท่านนบีมุ aw, สลิมได้บอกไว้ครับว่ามีอยู่ประโยคนึงที่ทุกประชาชาติจะต้องได้ยินจากนบีของเขาทุกประชาชาติจะมีประโยคนึงที่นบีจะต้องพูดให้กับเขาฟังกลุ่มชนของสมุทรจะต้องได้ยินประโยคนี้กลุ่มชนอารต้องได้ยินประโยคนี้กลุ่มชนสาดุมก็ต้องได้ยินประโยคนี้เช้าหยิบได้ยินประโยคนีใ้ใครก็ตามได้ยินประโยคนี้ประโยคที่ศาสนทูตจะพูดกับพวกเขาว่า หากไร้ซึ่งความละอายอยากทำอะไรก็ทำไปหากไร้ซึ่งความละอายอยากทำอะไรก็ทำไปเพราะมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ห้ามคนจากการทำความชั่วห้ามคนจากการทำสิ่งที่ไม่ดีห้ามคนจากการทำซีนาะห้ามคนจากการกินดอกเปี้ยห้ามคนจากการทำร้ายกันห้ามคนจากการที่ทำความชั่วร้ายรูปแบบใดก็ตามความละอายมันเป็นปราการด่านสุดท้ายคือต่อให้ไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่อให้ไม่ใช่มุสลิม ถ้ายังมีความละอายอยู่เขาก็จะไม่กล้าทำความชั่วร้ายถูกไหมครับอย่างไรก็ไม่กล้าทำเปิดเผยหรือว่าอาจจะไม่กล้าทำเลยแต่ถ้าไม่เหลือปุ๊บมันก็ไม่เหลืออะไรที่จะห้ามเขาอีกแล้วเหมือนสังคมยุคปัจจุบันเป็นสังคมที่มันทวีความน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆสังคมปัจจุบันครับอาจจะมีบอกว่าเป็นกระแสที่ว่าเกียดกลัวอิสลามหรืออะไรก็ตามแต่อาจจะมีปัญหามีคนพยายามยุแยงอาจจะให้กับ ศา ส, สนาสันนิชชนพุทธศาสนาิชนกับมุสลิมเนี่ยมีความโกรธเกลียดกันหรือว่าจะมาทำร้ายกัน ท, ทำลายกันกลัวว่าคนนั้นจะดีกว่าคนนี้จะดีกว่ามันมีสิ่งที่น่ากลัวกว่าศาสนาครับพี่น้องตอนเนี่ยสิ่งที่กำลังมาค่อนข้างจะแรงก็คือเรื่องของกลุ่มคนที่ไม่มีศาสนาน่ากลัวกว่าครับถ้าเกิดว่าพี่น้องดูอย่างที่เมืองจีนครับได้รับฉายาว่าเป็นเมืองหลวงโลกของเอธิอสแล้ว คือเป็นสถานที่ที่ว่าไม่ยอมรับเรื่องศาสนาแล้วทั้งประเทศที่คนลงไลน์ได้ปื้มบอวกว่านวัตกรรมมันดีนะความคิดเขาดีนะอะไรก็ตามดีดีดีดีด้านดีเนะี่ยโอเคด้านดีมีส่วนด้านดีแต่ด้านที่เลวร้วายที่สุดก็คือตอนนี้เขาพยายามที่จะบล็อกทุกศาสนาทุกความเชื่ออย่างมุสลิมในมัสซิดเนี่ยต้องปูต้องมีแบบเป็นโซฟานะครับถ้าละหมาดก็คือต้องละหมาดบนโซฟาแล้วเขาจะห้ามไม่มีการอาดานถ้าเกิดคนที่ว่าเป็นข้าราชการ ทำงานกับรัฐบาลห้ามละหมาดเด็ดขาดห้ามละหมาดให้ใครเห็นห้ามคนในครอบครัวละหมาดด้วยโดนทุกศาสนาครับโดนทุกศาสนาเพราะฉะนั้นตอนเนี้ผมว่ามันจะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเรากําลังพูดว่าตอนนี้เริ่มมีการเป็นห่วงใช่ไหมครับเรื่องอาจจะมีเรื่องของความคิดเรื่องของการล้มเจ้าถ้ามีความคิดเรื่องของความล้มเจ้าพี่น้องรอดูเะครับอีกไม่นานมาันต้องมีความคิดเรื่องของการล้มศาสนาพี่น้องรอดูเมื่อถึงจุดหนึ่งมีแน่นอน แล้วเมื่อมีการล้มศาสนาเมื่อนั้นสังคมจะยิ่งเลวร้ายกว่าที่เป็นแน่นอนครับนนะอูซูบิลลมินดาลิครับผมครับพูดแล้วก็กเกียดนะครับผมกลับมาพูดคุยกับพี่น้องที่รักดีกว่านะครับผมอมชาชล้อครับคุณยายาบอกว่าภาพเสียงชัดแจ๋วกับเดิมอัลลัฮ์คดุรีลาครับผมก็ ด้วยกับดวอาของทุกท่านนะครับด้วยความเมตตาขอรับก็บอกว่ามันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมชีวิตคนจนบนทางเดินอัสลามอวยกุมวะอัลัยกุ่มสลามรอตุลรอวะบารอกาตุครับผมกําลังคิดว่าจะไม่ได้เจอคนที่รู้จักหรือเปล่านะครับผมก็เข้ามาทักทายกันครับก็จะได้รู้สึกคุกคืนกันไปด้วยกันนะครับผมถึงเลือกที่เราพูดคุยจะหนักแค่ไหนก็อย่างน้อยเราก็ยังยิ้มให้กับกันได้เพราะนี่คือมุสลิมเราเป็นพี่น้องกันครับคุณรอได้กล่าววันนี้แกรนด์อิสลามไม่ได ดิสการ์นิสโรมไมเดอครับขอมาครับผมลืมจดสุรรัตไมเป๊ะมาะมดิสโรไมเดอร์เพราว่ากล่าวเขาว่าแต่อวัวนูอะไรสิมีวัวอุเวนแล้วจงอย่าได้ช่วยเหลือกันและกันในเรื่องของการทําความชั่วหรือว่าในเรื่องของการเป็นศัตรตูพี่น้องครับเรากําลังอยู่ในสุรรัตที่6เนี่ยครับสุรรัตที่6ของอขอมาอายะที่6ของสุรรัต บาลาที่ว่าอย่ากู้หรืออาหักตูมาและลรบาดาเขามีความสุขที่ว่าทําความช่วแล้วก็เอาไปเปิดเผยคนห้คน ร, รับรู้ประเด็นที่น่ากลัวตอนนี้ครับจากอายะหกุรอานในสุรมาอิดาที่ผมบอกว่าแล้วจงอย่าช่วยเหลือกันให้ทําความชั่วหรือว่าในเรื่องของการเป็นศัตรูกันตอนนี้มันมีแทบจะทุกที่ทั่วอยากจะบอกว่าทั่วเมืองทั่วตําบลทั่วมัสยิดมันก็แรงไปนิดนึงนะครับผมแต่เราจะพบว่า การยุให้โกรธเกลียดกันเนี่ยมันแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าพี่น้องสังเกตดูนะครับยิ่งถ้าเกิดตามหน้าสื่อโซเชียลนี่ยิ่งอันตรายเลยเพราะว่าการคุยเรื่องโซเชียลมันไม่ค่อยรู้เรื่องกันหรอครับบางทีเราพิมพ์ความหมายเราอย่างหนึง่งข้อความที่พิมพ์มันไม่ได้สื่ออย่างนั้นแล้วคนฟังไปตีความอีกอย่างหนึง่งบางทีทะเลาะ ก, กันหลายครั้งที่ทะเลาะ ก, กันโดยเฉพาะปัญหาศาสนาหลายครั้งผมเจอว่าคุยกันคนละเรื่อง คุยกันคน้ะเรื่องเหมือนกับคนคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยมันต้องแบบนี้นะอย่างนี้ไม่ดีอย่างคนคนึงก็บอกว่าโอเคไอ้นี้ไม่ดีแต่เขากําลังพูดกับอีกอันนึงนะอีกอันนึงมันต้องไม่ดีแต่มันก็เหมือนกับว่ามันก็เถียงกันคนละประเด็นแล้วมันก็แบบเกิดอะไรขึ้นคือถกเถียงเพื่อความรู้ไม่มีปัญหาครับถกเถียงไปเถอะเต็มที่แต่ประเด็นก็คือว่ามันก็จะเริมีการนินทาละมีการใส่ร้ายละมีการตั้งฉายาละมีการขุดคุยสิ่งที่ไม่ดีมาคุยกันละ แล้วขุดคนหนึ่งมันก็ช่วยแชร์กันต่อแชร์เรียกว่าอะไรครับตะอาวานุเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่น้องกดแชร์มันคือการตะอาวานูการช่วยเหลือกันพวกเรากล่าวไหครับว่ตะอาวานุอานิลบิริวตัตตะวะเวลาตะอาวานุอัลลอิสซาลลอฮฺตะวานุอัลอัลเบริวตัตตวจงส่งเสริมกันช่วยเหลือกันอะไรที่มันเป็นความดีอะไรที่มันจะทำให้มีตักวาเยอะๆนะ่ะส่งเสริมกันเลย แต่อะไรที่ส่งเสริมแล้วทําให้เกิดความเป็นศัตรูกันพวกเราบอกว่าอย่าได้ทําแต่สังคมมุสลิมเราก็ยังคงไม่หลุดพ้นจากตรงนี้ก็ยังคงสร้างความเป็นศัตรูที่มันเกินความจําเป็นที่มันเกินจากการถกเถียงทางวิชาการหรือต่อให้ไม่เกี่ยวกับวิชาการบางทีเป็นเรื่องของครอบครัวสถาบันครอบครัวบางทีก็ไปแย่ให้สามีเขาจะดีอยู่แล้วไปทําให้สามีโกรธมากขึ้นไปอีกภรรยาจะดีแล้วไปแย่ให้ภรรยา ไปท้าย่า ส, สามีหรือว่าอะไรก็ตามที่ว่าสร้างความเป็นศัตรูพี่น้องอย่าลืมนะหน้าที่การสร้างความเป็นศัตรูเป็นหน้าที่หลักของไชตอนและอิบลิสอย่าไปแย่งหน้าที่มัน <c oughs> คือต่อให้เราไม่ยุ่งให้คนแตกกันไชตอนมันพยายามอยู่แล้วมันพยายามมาเสมอมาแล้วตั้งแต่ยุค ข, ของนบีอาดามแล้วตั้งแต่ลูกตั้งแต่ฮาบินกับกอบิน แล้วมันก็พยายามมาเสมอมาถึงพี่น้องนบียูซุฟกับพี่น้องก็พยายามไม่แตกกันมันพยายามมาเสมอพยายามพยายามพยายามพยายามเราอย่าไปช่วยมันถ้าพูดดีไม่ได้นบีบอกว่าไงครับนิ่งเสียไม่ต้องไปเป็นลูกคู่ไม่ต้องบอกเนี่ยมันเลวจริงๆเออมันไม่ดีมันไม่รู้เรื่องพู ด, ป, ดประชดประชางจะไปเรื่องจบที่ความพอใจของเราพูดในส่วนที่จําเป็นนําเสนอในสิ่งที่จําเป็นถ้าเกินจําเป็นแล้วหยุดถอนตัวเดี๋ยวมันจะเปลืองตัว เพราะนั้นอย่าส่งเสริมการอะไรที่มันเป็นเรื่องบาปสิ่งที่ไม่ดีครับไปกดแชรเ์เรื่องที่ไม่ดีหรือเอาเรื่องที่ไม่ดีไปแบ่งกันหรือว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงอะไรก็ตามที่มันฮารอมครับผมจะหารอมก็หารอมกับตัวเองถ้าไปแชร์2คนต้องรับบาป2เท่าถ้าคนดู3คนรับบาปสาเท่าคนดูสิคนรับบาป10เท่าถ้าแชร์มีคนกดไลค์สักร้อยคนนั่นคือร้อยเท่าที่เราต้องแบกด้วยทั้งร้อยคนต้องแบกหมดเลย ก็ขอเตือนไว้ครับด้วยความรักแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องทุกท่านนะครับผมอะพี่น้องครบคุณยาซีนให้สลามานะครับว่าจากสะตูนชัดเจนนะครับว่ายเลกุมซาลามรับุลลอฮฺบอเบาะกาตุครับผมขอเสียงพี่น้องจากภาคเหนือหน่อยสิครับผมผมมั่นใจว่ามีพี่น้องจากภาคเหนือแต่ว่าพี่น้องจากภาคเหนือก็จะสไตล์ภาคเหนือนะครับจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากโชว์ตัวเท่าไหร่นะครับผมก็จะรับฟังกันเงียบก็ขอร้องไม่ตาพวกเราทุกคนครับผม เงี้พี่น้องครับในอายะที่หเนี่ยอย่ ก, กู้ดูอหัลักตูมารแลลูบาดาระวังคนในลักษณะนี้ไว้คุณนลักษณะที่ว่าทําความชั่วแล้วพาวแล้วไปอวดใครเพราะอะไรครับเพราะถึงเวลาพี่น้องสิ่งที่น่าตลกของมนุษย์เนี่ยเราชอบอวดเราอยากให้คนรับรู้เราอยากให้คนมาชมแค่บางส่วนของชีวิตเราถูกไหมครับไม่มีใครที่อยากโชว์ทุกด้านของชีวิตตนเอง เพร อ, อายะต่อมาพอเพราะว่ากล่าวว่าไงครับอายะซาบุอัลล oh ah ัมยาโรหูอาฮัดเขาคิดหรือว่าไม่มีใครเห็นเขาพี่น้องที่รักสุภานลัลลอฮ์เพราะกล่าวว่าไงครับเขาคิดหรือว่าไม่มีใครเห็นเขาหลังจากที่ตอนแรกพเพราะาบอกไงครับเขาจะไปอวดกับคนอื่นเขาจะไปบอกว่าเนี่ยฉันบริโภคทรัพย์สินนั่นฉันไปทําอย่างนั้นฉันไปเที่ยวเงี้นฉันซื้อเงั้ยฉันไปมาหมดแล้วฉันทํามาหมดแล้วพเพราะว่าบอกว่า เขาคิดว่าไม่มีใครเห็นเขาเลยคือเขาคิดว่าคนทั้งหมดจะเห็นแค่ด้านที่เขาอยากให้เห็นเหรอเราจะพบครับหลายครั้งคนที่ว่าชอบอวดเอาด้านดีๆมาอวดเนี่ยเบื้องหลังของเขาอาจจะติดลบหนักกว่าที่เราคิดเขาอาจจะมีหนี้สินคือจะโดนฟ้องล้มละลายอยู่แล้วหรือชีวิตเขาไม่มีความสุขเลยความสุขเล็กน้อยคือให้คนอื่นมาอิจฉาเขาหรือว่าอะไรก็ตามซึ่งพี่น้องครับหลายครั้งครับพอร้อยเห็นคาตาเห็นทันทีเลย หลายครั้งที่พราวิเห็นทันทีเลยว่าคนที่เอาโมอูอวดคนที่มาอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเก่าวครับอายะซาบุอัลลัมยาหูอาหัดเขาคิดหรือว่าจะไม่มีใครเห็นเขาเขาคิดหรือว่าที่เขาไปอวดคนอื่นว่าเขามั่งเขามีเขาบริโภคนั้นเขาทําอย่างนี้เขาทําอย่างงู้นเขาคิดหรือว่าจะไม่มีใครมารับรู้ด้านอื่นของเขาคิดหรือว่าจะไม่มีใครรู้ด้านที่ไม่ดีของเขาคิดหรือว่าเขาจะปิดบังปกปิดด้านที่ไม่ดีของเขาได้ พวกเราก่านครารับ ل م ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يقول من نجوى ثلاثة إلا هو ر ب ع م ه م ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنا من ذلك ولا أ ك إ أ ث إلا هو م ع م أينما كانوا ثم ينبيهم بما م يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم พวกเาได้สงกล่าวไว้ครับว่าพวกเขาไม่รู้หรือพวกเขาไม่เห็นหรือ ว่าพูอ้อัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ทุกสิง่งทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในฟากฟ้าแล้วก็ในแผ่นดินไม่มีการกระซิบกระซาบของคนสมคนนอกจากพูอ้อัลลอฮ์จะเป็นบุคคลที่4ไม่มีการกระซิบกระซาบของบุคคล5คนนอกจากพูอ้อัลลอฮ์จะเป็นบุคคลที่6ต่อให้มากกว่านั้นต่อให้น้อยกว่านั้นพูอ้อัลลอฮ์รับรู้ในทุกการกระซิบกระซาบที่ไม่อยากจะให้ใครรู้กัน พว่ามาหุ่มไอนามากานูพ่อจะอยู่กับพวกเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามซุ่มมาอยู่นับบิวหุมแล้วเมื่อถึงเวลาพ่อจะบอกเขาในสิ่งที่เขาทําว่าเขานั้นทําอะไรไปบ้างถึงเวลาคือเมื่อไหร่ครับวันเกียร์ม า, อาลอร์จะบอกให้เขารู้ทั้งหมดพพเพราะพระอลอร์นั้นทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคนที่ว่าชอบโชว์ด้านหน้าที่สวยงามชอบเอาอะไรมาข่มคนอืน่นชอบเอาความมั่งความมีความที่ว่าฉันทําอย่างงั้นฉันทานี้มาอวดแล้ว ลึกๆแล้วมันต้องมีพฤติกรรมที่ไม่ดีซ่อนอยู่ถึงเวลาพอจะทำความชั่วร้ายพวกก็จะแอ บ, บกระซิบกระซาบกันถูกไหมครับเออที่หเดี๋ยวไปทํำงี้เดี๋ยวไปทํานี้ส่วนใหญ่จะมีใครกล้าพูดดังซึ่งพระรับอกว่าไอ้ตอนตอ น, ตอนทําเปิดเผยเนะี่ยมั่นใจว่าคนทั้งหมดเห็นเพราะเขาโชว์แต่ตอนที่เขาเลือกจะไปกระซิบกระซาบเขาคิดว่าเราไม่รู้เลยแล้วถึงเวลาทั้งที่เขาเปิดเผยซึ่งเป็นสิ่งที่เาลาโกรธเกลียดมากมาก กับที่เขากระซิบกระซาบเพื่อทําสิ่งที่อารอมหรือทําบาปทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์โกรธเกลียดเขามากแล้วทั้งหมดพว้อัลลอฮ์จะเอามาสอบสวนเขาอย่างละเอียดนั่นคือสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องเจอครับทั้งด้านสว่างที่เราเปิดเผยให้คนเห็นกับด้านมืดที่เราปกปิดไม่อยากให้ใครเห็นพวกอัลลอฮ์บอกว่าพึงรู้ไว้นะผู้อัลลอฮ์นั้นรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอาย่นี้นะครับยังทําให้พี่น้องไม่กลัวนะครับผมขอ สุร่าอัลอันอามอายะที่59อีกอายะหนึ่งพวกละกาวไหครับว่าอินดฮูมาติุลไบิลยะลมุฮอิลลฮูวยะลมหฟิลบริวัลวมะัุตุมวรักอิลลยะลมวะลาพัตต์ฟิซูรมาติลอาร์วะลารถบินุวะลายาบิซินอิลลาฟิกตาบิมูบินนี่คือความใหญ่ของ Allah ครับบางทีผู้ไปเสดสตาหรือว่าคนต่างศาสนกอาจจะไม่เข้าใจแล้วมาถามว่าพวกละจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยหรอคนทั้งโลกทำพร้อมๆกันละจะรู้เ อย่างคนเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยกําลังสับเนื้ออ่าคนที่อเมริกาเนี่ยกําลังกินแฮมเบอร์เกอร์อ่าคนที่ซาอุดีอาระเบียอาจจะกําลังทําอะไรสักอย่างทั้งหมดเนี่ยพวกเรารู้หมดเลยเหรอพวกเรารับรู้พร้อมๆกันเป็นไปได้เหรอแล้วก็ตอบแน่นอนเป็นไปได้เพราะถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ใช่พระเจ้าถูกไหมครับมุสลมิมมาเชื่อมั่นว่าพระเจ้ากับผู้สร้างกับ ผู้ถูกสร้างเนี่ยไม่เหมือนกันต่างกันลิฟเลยผู้ถูกสร้างนี่คือรับรู้ได้ทีละอย่างทีละสองอย่างพเพราะละบอกว่าในหัวใจเรามันมีแค่ดวงเดียวจะศรัทธาก็ศรัทธาจะเป็นมุนาฟิกก็เป็นมุมนาฟิกจะเป็นกาเฟตก็ฟาดเป็นกาเฟตมันก็ได้แท้ทีละอย่างแต่สำหรับพระละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันคําว่าเวลาไม่ใช่อุปสรรคสำหรับพวระละเพราะพระงเป็นพระเจ้าเพราะรากล่าวในคัมภร์ไบเบิลหครับว่าอินเดฮูมาแฟติฮุเรฟสําหรับพระละแล้วพวระละนั้นมีกุญแจมีครั้ง คุณแจเห็นความลับเรื่องลับๆที่ไม่มีใครรู้เลยพวกอล้อรู้มาทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องที่รู้แค่ไม่กี่คนพวกอล้อก็รู้หัวยาและมุมาฟิลบริวัติบา้าพวกนั้นส่งรับรู้สิ่งที่อยู่บนบกแล้วก็สิ่งที่อยู่ในน้ําไม่ใช่แค่เอาบนแผ่นดินไม่ใช่แค่เอาเรื่องมนุษย์สรรพสิ่งทั้งหมดพวะอล้อเป็นเพืริสกีครับพวกอล้อเป็นเพืริสกีแพงต้นทั้งหมดอยู่ในมหาสมุทรพวกอล้อรู้หมดเลยพรากอล้อเป็นผู้สร้างปลาทุก ตัวจะเป็นกุ้งหอยปูปลาจะเป็นสัตว์ที่เรารู้จักสัตว์ที่เราไม่รู้จักทั้งหมดพวกลรารู้หมดแล้วก็รู้ทุกจังหวะของชีวิตของสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แค่นั้นครับว่ามาตัสกูตูมีววารอกินอินลียและมูหามิววารอกตินขนาดใบไม้ที่ล่วงแต่ละใบพวกอลล็อกก็รู้นี่คือพระเจ้าครับนี่คือผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริง ถ้าพี่น้องปัจจุบันจะเห็นว่าคนที่ไม่ได้ถือพระเจ้าเนี่ยบางทีเวลามาแต่ง น, นวณิยายเกี่ยวกับพระเจ้าหรือพูดถึงพระเจ้าเขาก็จะอธิบายพระเจ้ามีอุปสรรคอย่างนั้นพระเจ้าทำอย่างนั้นก็ไม่ได้พระเจ้ามีข้อบกพร่องอย่างนั้น เ, อเอามาล้อเล่นเสียหา ย, หายแต่พระเจ้าผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์มีเพียงองค์เดียวแล้วพวะนั้นรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ทุกใบไม้ที่มันกําลังร่วงอยู่ควรรอบรู้ทุกใบว่าเป็นใบแล้วองค์ประกอบในใบนั้นด้วย ไม่ใช่แค่ใบมเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในดินเพราะทั้งหมดที่งอกพวกเราะเป็นผู้ให้มันงอกเพราะนั้นมเมล็ดทั้งหมดที่อยู่ในโลกตอนนี้พวกเรารู้หมดเลยแล้ ว, พวเพราะว่าเป็นผู้ที่ว่าเม็ดนี้ให้มันงอกเม็ดนี้ให้มันตายเม็ดนี้ให้รอก่อนเม็ดนี้ได้เลยเวลาฮับบัตินฟีซุลมาตินอัต่อให้เป็นเม็ดที่ว่าอยู่ในความมืดในหลืบซอกของดิน ว่ลารตบินว่ลยาบิสินอะไรที่ว่าเป็นสิ่งที่มีความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นอะไรที่เป็นสิ่งแห้งแล้งเพราะเราก็รู้หมดเลยหัวใจคนเป็นหัวใจคนตายร่างกายสรรพสิ่งฟางฟืนอะไรก็ตามแต่ไม่มีอะไรนอกจากจะต้องอยู่ในกำหนดที่พวกเราได้บันทึกเอาไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วอยู่ในเรื่มาฟหมดแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยแม้แต่ใบไม้ที่มันร่วงพี่น้องคิดดู นี่คือความรอบรู้ของพวก AH. อัลลอฮฺอยาสบูอัลลัมยารหูอหัดพวกอัลลอฮ์ถามว่าเขาคิดว่าไม่มีใครเห็นเขาเหรอจะไปแอบทำจะไปปกปิดจะไปหลบซ่อนอะไรก็ตามแต่พวกอัลลอฮ์บอกไงครับเขาคิดหรือว่าจะไม่มีใครเห็นเขากันนั้นหรือไม่ใช่แค่พวกอัลลอฮ์ที่เห็นเขา เขาไม่รู้หรือว่ามารีกาก็เห็นเขาพี่น้องที่ละครับท่านอบี๊มัสยิดลัมพูดในความหมายที่ว่าหากมีคนอยู่หนึ่งคนจะมียินอยู่เก้าสิบเกตนนี่คือเปรียบเทียบให้รู้ว่าความมากแค่ไหนมีคนหนึ่งคนจะมียินเกบเ้าตนถ้ามียินหนึ่งตนจะมีมารีกาอยู่เก้าสิบเก้าท่านเยอะไหมครับมากมายมหาศาลตอนนี้มารีกาก็อยู่รอบตัวเราครับเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นเราก็เลยไม่รู้สึกเราไม่แคร์อะไร แต่มริกาแต่และท่านนั้นมีหน้าที่มีการงานมีอะไรที่อะล้อมอบหมายท่านแล้วเมริกาแต่และท่านก็รักคนดีถ้าเกิดว่ามาเจอคนที่กําลังเริ่มเรียนศาสนากาลังพูดคุยเรื่องศาสนามรีกาสจะมาห้อมล้อมม า, มาโอบกอดกันสูงขึ้นไปถึงฟากฟ้าด้วยความรักที่มีต่อคนที่ว่าทําการพูดคุยในเรื่องอัลกุรอานพูดคุยในเรื่องศาสนาของเราแล้วก็ทั้งมีทั้งเมริกาที่คอยขอดูอาให้กับพวกเรามีทั้งเมริกาสที่ให้ความช่วยเหลือสารพัดมารีกาครับผม แล้วมารกาที่เกี่ยวข้องกับอายะซาบูอัลลัมยาระหูอหัดเขาคิดว่าไม่มีใครเห็นเขาหรืออยู่ใกล้เราเลยพี่น้องอยู่ชิดเลยอยู่ติดกับตัวพี่น้องเลยรอกรีฟอาตีตคนเราทุกคนครับมีมารีกาสองตำแหน่งนี้อยู่กับเราทุกคนเรามีท่านที่ทำที่รอกิีฟกับอาตีตก็คือคอยบันทึกความดีกับคอยบันทึกความชั่วทุกอย่างเลย แม้แต่สิ่งที่เราคิดถ้าเป็นสิ่งที่ดีพวกนรกก็ใช่เขาบันทึกหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราแค่คิดยังไม่ได้ออกมาเป็นภาคปฏิบัติก็แค่ยกปาการอถ้าทำก็ถึงจดแล้วก็จดตลอดเวลาเราตื่นเราหลับท่านทำงานตลอดอายาเซบูอัลลมย่รหูอาหารเขาคิดเลยว่าจะไม่มีใครเห็นเขาการนั้นหรือพี่น้องที่รักครับจากท่านอับดุลล บ, บินมัสูดเนี่ย เราะบอกว่านูท่นไดกล่าวไว้ครับว awesome. eh. uh ่าท่านอัสลูส์สลอริซามได้กล่าวไว้นะครับอิตยมีนัลลอฮักกยพวกท่านทั้งหลายจงละอายต่ออัลลอ์อย่างจริงจังให้ละอายอย่างจริงจังอายอัลลอฮ์บรรดาซาบับองไ์นี้ครับยารัสูลอลลอฮ์อินน์นัสต์ฮียุลฮัมดุลิละย่ารัูลลลอฮ์ัรุลลาฮ์ครับเราอายอัลลอฮ์อัลฮัมดุลขอบคุณอัลล์คือไม่ใช่พูดเดียวกั้โอ้อวดถ้าคนโอ้อวด ไมพูดอาธรรมดีแล้วตามง่ายๆหรอกอันนี้คือเมื่อท่านนบีบอกปุ๊บซอบับตอบทําไมซอบับต้องตอบทันทีครับบางคนเดบ่อกซอบาบัอยากอวดอ้างหรือไม่ใช่แต่นี่แสดงถึงความที่หัวใจของซอบับเนี่ยอยากทําทุกสิ่งทุกอย่างที่นบีบอกอยากรีบทําแข่งกันทำเพราะซอบับเวลามีความดีมีคําสั่งอะไรมาเขาจะแข่งกันทําว่าใครจะทาสำเร็จก่อนเพราะฉะนั้นพอท่านอบีบอกว่าตอนนี้นะจงกลัวเกงต่อรอดจริงๆเลยนะจงอายรอดมากๆนะ สั บ, บอโอเคโอ เ, คเราพร้อมแล้วซ้ำอันบตรายอัลลอฮ์บอกเราสืนบอกเราพร้อมทําเดี๋ยวนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านอบียบอกว่าจงอายเราอายแล้วครับอะไรทำดีดินละท่านอบลเีว่าแซมบอกว่าไงครับไม่ไม่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ความอายแบบที่คุณเข้าใจความอายที่แท้จริงที่เรียกว่าอายอัลลอฮ์ที่สมบูรณ์ความอายที่แท้จริง ท, รลลที่สมบูรณ์รรณต้องทําสิ่งต่อไปนี้ให้ได้ประการแรก อันตัพสารรัศมีวะอาบวามวะอาคือการที่คุณต้องระ ม, มัดระวังสมองแล้วก็ต้องระวังว่าจะเอาอะไรยักเข้าไปในสมองสุบาอัลลอฮ์นี่คือการไล่ต่อ Allah อัลลอฮ์อย่างแท้จริงเงื่อนไขข้อที่หนึ่งระวังสมองเราจะเรียนรู้อะไรจะคิดอะไรจะดูอะไรอะไรที่เข้าไปในหัวเนี่ยหรือว่าจะฟังอะไรก็ตามต้องกลัวอัลลอ์ ต้องคอยระวังว่าสิ่งนี้ฉันไม่ฟังมันอันตรายสิ่งนี้ฉันไม่รับรู้สิ่งนี้ฉันไม่ดูต้องขนาดนั้นถึงที่เรียกว่าอายร้อยอย่างแท้จริงอย่าข้อแรกครับระวังหัวกับสิ่งที่คุณจะยัดไปในหัวอันที่สองครับระวังท้องกับสิ่งที่คุณจะยัดไปในท้องข้อนี้ยากข้อแรกยากสุดๆแล้วผมว่าไม่น่าจะมีอะไรยากกว่าข้อแรกและระวังหัวเนี่ยแต่ระวังท้องมันก็ยากเหมือนกันนะพี่น้อง อย่างที่เรารู้ครับท่านอบดียร์ยุสนะบอกเวลาบริโภคน่ะแบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนแค่นี้ก็ทํากันแทบจะไม่มีใครทําได้แล้วคือไม่กินของฮารอมพอได้แต่ว่าระวังในเรื่องการกินกินให้พอดีกินแล้วไม่กินทิ้งกินขว้างกินในสิ่งที่ว่าเป็นประโยชน์กินแล้วรู้จักขอบคุณละล้ออย่างกินนมก็ขอบคุณละล้อแล้วขอให้ได้เพิ่มพูนหรือว่าบอร์เกอร์ต่างๆพอามีงามต่างๆอันนี้ก็ยากนะพี่น้องก่อนกินกล่าวบิสมิลละทานสิ่งที่ฮาราน ไม่ใช่แค่ฮาลันต่อยิบด้วยยากนะต้องระมัดรวังสิ่งที่เข้าไปในท้องบางทีคือไปตะเวนกินมาหมดละเบเกอรี่เอยเคคเอยเค้กเออยไอติมเออยที่ไหนบอกว่ามีดีที่ไหนบอกว่าอร่อยฉันตะเวนไปหมดแล้วมุสลิมเราต้องขนาดนั้นหรือเปล่าเราต้องหลงนุนยาขนาดนั้นไหมก็เป็นประเด็นที่ว่าต้องระวังทนายวัสดิ์สันบอกว่าโจงอายเอาล้ออย่างแท้จริงหนึ่งในนั้นก็คือการระวังหัวกับสิ่งที่จะ ย, ยัดเข้าไปในหัว ระวังท้องกับสิ่งที่จะยัดเข้าไปในท้องไม่ใช่แค่นั้นนะครับวารีเตอ e ์ดักอัลมาวัลบาละถ้าอายอัลลออย่างแท้จริงเนี่ยคุณต้องคิดถึงความตายให้มากความตายมีฉายาว่าไงครับใครจำได้มั้งความตายมีฉายาว่าไงฉายาของความตายก็คือตัวทำลายความสุขทนลวิลัสไซดันบอกในดีสว่าไงครับพวกท่านจงนึกถึงตัวทาลายความสุขให้มาก ซาบะก็ถามว่ามันคืออะไรเหรอท่านอะบีบอกว่าการลำเลิกถึงความตายเพราะคิดถึงความตายแล้วความสุขที่มีมันจะด้อยค่าลงไปท่านอะบีก็บอกว่าผู้ที่อายต่อร้อยอย่างแท้จริงก็คือต้องลำเลิกถึงความตายแล้วสิ่งที่จะมาหลังความตายในหลุมฝังศพความน่าสะพึงกลัวที่รอคอยอยู่วันกิยามะในเรื่องของการรอคอยในเรื่องของการเชาฟา้าในเรื่องของการสอบสวนในเรื่องของการไต่สวนในเรื่องของสะพานในเรื่องของกอนต่อรอในเรื่องของอะไรก็ตามแต่ คิดถึงความตายให้มากๆนี่คือลายต่อร้อยอย่างแท้จริงท่านบีบอกไว้ตรงนี้สามอย่างหัวระวังหัวกับสิ่งที่จะเอาเข้าไประวังท้องกับสิ่งที่จะเอาเข้าไปคิดถึงความตายให้มากว่ามันอารอรเดลอาเคียรอตรกาจีนัตดุนยาท่านบีพูดเห็นถึงศัจธรรมครับดุนยากับอาเคียรอเนี่ยมุสลิมเราเอาทั้งคู่แต่ถ้าเราทุ่มให้กับอะไรอีกอันนึงจะได้น้อยหน่อย เราจะมีให้ความสําคัญกับมันน้อยลงท่านอบีบอกว่าไงครับใครก็ตามที่อยากได้อาเคาียรอเขาจะละทิ้งความสวยงามฉาบฉวยของดุลยาความหมายตรงข้ามใครก็ตามที่ขนขวายแต่ความสวยฉาบฉวยของดุลยาเท่ากับเขาทิ้งออาเคียรอแล้วมันเป็นงั้นจริงจริงมันต้องเลือกเราได้ทั้งคู่นี่แหละแต่ว่าใจเราทุ่มให้ทางไหนล่ะถ้าใจเราทุ่มให้กับออาเคาียรอ เราจะเห็นความสวยงามของดุนยาเนี่ยต่ำต้อยแต่ถ้าใจเราทุ่มให้กับดุนยาทุ่มให้กับโลกนี้ทุ่มให้กับอะไรก็ตามที่เราหลงมั่นในโลกนี้เราจะไม่มีใจให้โลกหน้าเราจะกลัวความตายเราจะไม่อยากลำลึกถึงความตายเราจะไม่อยากทำอีบาดาเราจะไม่อยากทำอะไรก็ตามที่มันลดเวลาที่เราจะมีความสุขกับดุนยาครับท่านบิวสเซอร์นบอกไงครับ ฟัง فعل ذلك ฟัก็อิสต์ชีอาฟังัลลอฮใครที่ทำอย่างนี้ได้สี่อย่างเขาอายต่อร้อนอย่างแท้จริงแล้วอย่างที่ใครมาติดมีดีมันต่อบระเีอนละหากิมแล้วก็เช็คกับนบ้างว่าเป็นฮาิที่ฮะสซันครับทบทวนนะสี่อย่างสอย่างที่ท่านาบีมัสลลอยแสดงบอกว่าพวกท่านจงอายอาลอจริงจริงอายให้จริงจังมีอะไรบ้างนะครับ ถ้าใ้ต่อรอดอย่างจริงจังประการแรกระวังหัวกับสิ่งที่เราจะยัดเข้าไปในหัวยัดผ่านตาผ่านจมูกผ่านอะไรผ่านหูไปอะไรก็ตามแต่เนะี่ยระวังหัวกับความคิดของเราระวังท้องกับการกินของเราให้คิดถึงความตายให้มากๆแล้วก็ ให้ทุ่มให้กับอาร์เครอแล้วอย่าลงไหลได้ปื้มกับความงดงามชั่วข่าวของดุ n y านี่คือสีข้อที่ท่านบีมัสโลอยสลัมได้เตือนไว้ว่าใครทํามันได้นี่คือความละอายต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงครับผมครับพี่น้องที่รักครับกลับมาคุยกับพี่น้องเมื่อกี้อ่าครับคุณนะสี่พันนะครับผมบอกว่ากําลังรับชมอ่ะคุณเสียงจากพี่น้องทางเหนือมาแล้วนะครับผมคุณพุริพัฒน์อดัมสลามกุ้มครับวาริกุลสลามอัลตลลอฮ์วะบาริกาตูครับผมคุณยาซีน เมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับสลามเอาตอบอีกทีครับผมอ่านิฮาวานะครับนิฮานิฮาวาบอกเสียงดังดีงามอัลฮัมดุลิลละครับเจซากุมุลลาฮูไคลรอนครับก็ช่วยกันดูอาเนี่ยแหละครับหาวิธีจนน่าจะได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถ้ามีดีกว่านี้ใครมีเดีดีกว่านี้ก็เสนอนะครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับจากสองอายะเนี่ยที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยเราจะพบว่าอะไรครับเราจะพบว่า ธรรมชาติของคนเนี่ยต่อให้เป็นคนขี้อวดแค่ไหนก็ตามเขาก็จะมีเรื่องด้านมืดที่ไม่อยากให้ใครรับรู้เพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาครับเราจะไปอิจฉาคนขี้อวดทําไมและจะไปอิจฉาคนมั่งคนมีทําไมเพราะว่าสิ่งที่พระลอตเตรียมให้กับเรานั้นมันน่าอิจฉาที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรน่าอิจฉากว่าสิ่งที่พระลอตเตรียมไว้ให้กับผู้ศรัทธาในวันเกียรติมาครับเพราะว่ากล่าวไปครับว่าวายวาห์เม يعبد الظالم على ي د ي ه يقول يا ليتني التخذت مع رسول س ب ي ل ا ياويلة ليتني لم أتخذ بلان خليلة لقد أ د ل ن ي عن الذكر بعد إيتاني وكان الشيطان للإنسان خذولا พวกล้อได้กล่าวไว้ครับว่าในวันนั้นในวันเกียรมะจะเป็นคนขี้อวดจะเป็นคนที่ว่าชอบบริโภคอะไรเยอะๆจะเป็นคนที่ว่าชอบปกปิดความชั่วร้ายของตัวเองหรือจะเป็นคนที่ว่าชอบเปิดเผยความชั่วร้ายของตัวเองจะเป็นใครก็ตามแต่ครับพวกล้อกล่าวเลยว่าในวันนั้นในวันนั้นคือวันเกียร์มะคนที่อาธรรมอาธรมหมายถึงคนที่ทําร้ายทําร้ายผู้อื่นทําร้ายตัวเองบรรดาผู้ที่อาธรรมเนี่ยเขาจะมัก กัดมือของเขาพี่น้องเคยเห็นคนคิดเครียดไหมคนคิดเครียดแบบเครียดสุดๆแต่พี่น้องแบบมาเอามือมาแล้วก็มานั่งกัด ๆ, ๆแบบด้วยความด้วยความเครียดสุดๆแต่พี่น้องวาดภาพออกไหมพราอเราบอกว่าในวันนั้นเนี่ยคนที่อาทําจะมานั่งกัดมือทั้งหมดของเขาเลยแล้วเคยบอกว่าไงครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าอนิจจาเอ๋ยเนี่ยทําไมฉันถึงไม่ทําตามแบบอย่างของาศาสนาทูตทาไมฉันไม่ทําตามแบบอย่างของาศาสดา ย่าไวละแต่เลยต์นีโออนิจจาเอชีวิตของฉันความหวังล้มแรงลมลมลมแรงของฉันเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันไม่เอาคนนั้นเป็นเพื่อนก็ดีถ้าฉันไม่ทําตามคนนั้นก็ดีถ้าฉันไม่ไปหลงไหลได้ปื้อเหมือนที่เอกคนนั้นมีมันก็คงจะดีแล้วก็อดัลและนีออนิจิกเพราะพวกนั้นน่ะมันทําให้ฉันหลงทางทําให้ฉันหลงผิดทําให้ฉันไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้ฉันไม่มีสติ ท, ทั้งๆที่ศัจธรรมมันก็มาชัดเจนแล้วทั้งๆ ท, ที่ฉันก็เกิดมาเป็นธิลุกมุสลิมแล้วทั้งๆ ท, ที่ฉันก็มีเพื่อนเป็นมุสลิมแล้วทั้งฉันฉันฉันก็น่าจะรู้เยอะแล้วแต่ทําไมฉันไปยึดคนนั้นทํำไมฉันไปหลงไหลได้ปื้มกับคนมีอํานาจทาไมฉันไปหลงไหลได้ปื้มกับคนมีเงินทํำไมฉันไปหลงใหลได้ตื่นคนหน้าตาดีๆยาไวลาตาเลตานีลำอัตคิสฟูลแนันคารีแลนอุซบินแลครับหวังว่าพวกเราจะไม่ได้พูดประโยคนี้กันครับอาเมนครับผม ว่กาในชัยตอนลิลินเซอนี่เขารู้และพวกเรากล่าวว่าแล้วชัยตอนเนี่ยมันก็จะหลอกลวงคนเนี่ยแหละให้คนเห็นว่าอันนั้นมันถูกอันนี้มันผิดเหมือนกับที่ท่านตบีวัศน์เซซัมได้พูดไว้คราว่ายิ่งช่วงใกล้วันเกียร์มาเนี่ยคนที่พูดโกหกคนที่เป็นมูนาฟิกเนี่ยพูดอะไรไปคนก็เชื่อคนก็เห็นดีเห็นงามด้วยเนขณะที่คนพูดความจริงเนี่ยคนก็จะมองเนี่ยมันโกหกอันี้มันเป็นคนไม่ดีมันเป็นคนอย่างนั้นมันเป็นคนอย่างงี้ แล้วก็จะมีบุคคลชั่วร้ายผู้มาเยอะๆจะมีทั้งคนที่ว่าเป็นคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ว่ามาพูดเรื่องความรู้เหมือนกับรู้หมดมาพูดแทนคนทุกคนมาพูดในเรื่องทุกเรื่องมาทําอะไรความวุ่นวายมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นพี่น้องที่รักยิ่งครับสิ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นได้มีเพียงอัลกุรอานกับฮะดีษคําพูดของลอแล้วก็แบบอย่างของท่านอับดุลเบียร์มุสลิลลองอะลัยสลัมที่สุดของที่สุดของที่สุดแล้วก็ต้องกลับมาที่คําพูดของลอ ถ้าเกิว่าเราสื่มันสับสนมันวุ่นวายเราแยกไม่ถูกอาจารย์คนนั้นพูดอย่างนี้อาจารย์คนนี้พูดอย่างนี้ฉันจะเอาไงดีพยายามกลับไปหาอะไรที่มันเป็นอัลกุรอานหรือเป็นฮะดิษที่ชัดเจนที่สุดที่เรามองว่าเนี่ยชัดเจนที่สุดแล้วก็ยึดอันนั้นแล้วก็กัดมันไว้ด้วยกับฟันกรามกัดมันไว้เหมือนกับว่าเราจะไม่มีวันที่จะปล่อยมันอยตลอดกาลก็ขอตัวจากพวกเลาครับให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ว่าได้เห็นสัจธรรมแล้วก็ได้ทําตามศัจธรรม แล้วก็ขอให้เรานั้นเป็นกลุ่มชนที่เห็นสิ่งที่ผิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดจริงๆแล้วก็ขอให้เราได้ออกห่างจากมันแล้วก็ขอให้เราเน้นได้เตาบ้ากับเนื้อกับตัวแล้วก็ขอให้พวกนั้นรับการเตาบ้าของเราด้วยเถิดอยากขอพวกนั้นส่งไปโทษให้กับบุคคลที่รักเราแล้วก็บุคคลที่เขารักที่เรารักเขาด้วยเช่นกันแล้วก็ขอ ah, เอาล้อไปโทษให้กับพี่น้องคนที่ว่าเป็นมุสลิมที่เขาผ่านเส้นทางยากลําบากนี้มาก่อนเรา แล้วก็ขอให้เรานั้นได้ไปอยู่กับพวกเขาในสวรรค์ชั้นฟิตแล้วชั้นสูงสุดของพระเด้วยความเมตตาของพระเจาเถิดว่าล้อคอยเรานั้นได้อยู่กับบุคคลที่พวกเะารักเขาด้วย